จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจผู้สนทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญ มาปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราเราจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะเจริญหรือเสือ่อมก็อยู่ที่จิตใจของเรานี้เป็นหลักดังที่พระพุทธเจ้าสังตัดไว้ว่าจิตเป็นประธาน จิตเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้น อ, อยู่กับจิตใจเป็นหลักดังนั้นถ้าเรามาดูแลรักษาจิตใจของเราให้ดีเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้าเราไม่ดูแลจิตใจปล่อยประละเลยให้จิตใจไปทำบาปทำความชั่วทั้งหลาย จิตใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียความสุขและความเจริญนั้นต้องที่ต้องเป็นที่จิตใจเพราะความสุขความเจริญทางโลกนั้นไม่สามารถทำให้จิตใจสุขและเจริญได้ความสุขและความเจริญทางจิตใจ ต้องเกิดจากการทำความดีเท่านั้นเกิดจากการทำบุญเกิดจากการสร้างกุศลต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายก่ายกองขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ได้ทำความดีได้เงินได้ทองมาจากการทำบาปเช่นจากการ ช่อโกงจากการโกหกหลอกลวงผู้อื่นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใจของเราจะไม่มีความสุขจะไม่อยู่จะไม่ถูกความทุกข์คุกคามใจแต่ถ้าเราทำแต่ความดีถึงแม้เราจะยากจนถึงแม้จะไม่มีตาแหน่งสู ง, สง ถึงแม้จะไม่มีการ ย, ยกย่องสรรเสริญแต่ใจของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อยคนมีมากกับมีความทุกข์มากกว่าคนมีน้อยก็ได้เช่นพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่มีน้อย ท่านไม่มีอะไรเลยสมบัตินอกกายมีเพียงอัฐบริขารเครื่องใช้เจ็ชิ้นด้วยกันเช่นบาทและจีวรแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่ามาหาเศรษฐีมากกว่ามาหากษัตท่านไม่มีความทุกข์เลยแต่พวกมาหากษัตมาหาเศรษฐีกลับมีความทุกข์ รุมเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่มีความดีที่จะดูแลรักษาใจของเขาให้มีความสุขได้นั่นเองเขามีแต่ความอยากมีแต่ความโลภมีแต่ความต้องการจึงทำให้เขาหาความสุขไม่พบถึงแม้เขาจะมีมากเพียงไรเขาก็ยังอยากจะมีเพิ่มมากขึ้นไปอีก ถ้าเมื่อยังมีความอยากอยู่ความพอก็จะไม่เกิดเมื่อไม่มีความพอความสุขก็จะไม่เกิดความสุขของคนเราจึงไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยแต่อยู่ที่ว่ามีความพอหรือไม่ถ้ามีความพอไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวก็มีความสุขได้ถ้าไม่มีความพอมีเงินเป็นพันล้านก็ยังไม่มีความสุข จะยกตัวอย่างให้ฟังคนสองคนมีเงินเท่ากันมีเงินหนึ่งล้านบาทแต่คนหนึ่งเสียใจทุกใจอีกคนหนึ่งดีใจสุขใจเพราะว่าคนที่ทุกใจนั้นเขาเคยมีอยู่ร้อยล้านแล้วเขาสูญเสียไปมีเหลืออยู่ล้านเดียวเขาก็เศร้าสศกเสียใจ ทุกใจเพราะเขาเสียดายเงินที่หายไปเงินที่หมดไปส่วนอีกคนหนึ่งเขาเคยมีอยู่แสนเดียวแล้วเขาได้เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านเขาก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขมากๆนี่ยกตัวอย่างให้ฟังระหว่างคนสองคนที่มีเงินเท่ากันแต่คนหนึ่งกับทุกข์และอีกคนหนึ่งกับสุข เพราะว่าความสุขความทุกขมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินมันอยู่ที่ว่าเราพอใจกับจํานวนเงินที่เรามีอยู่หรือไม่ถ้าเราพอใจมีบาทเดียวเราก็มีความสุขได้ถ้าเราไม่พอใจมีพันล้านเราก็ไม่มีความสุขเนี่ยความสุขอยู่ตรงนี้ ความสุขทางใจอยู่ที่การสร้างความพอให้แก่ใจใจจะพอได้ก็ต่อเมื่อเราตัดความอยากออกไปให้หมดเพราะความอยากนี้แหลเป็นตัวที่ทําให้เราไม่พอใจเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆได้มาร้อยก็อยากจะได้เป็นพันได้พันก็อยากจะได้เป็นหมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้เป็นแสน เป็นนายสิบก็อยากจะได้เป็นนายร้อยพอได้นายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันพอได้นายพันก็อยากจะเป็นนายหมื่นนายพันนีน่นี่คือปัญหาของจิตใจของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนจึงไม่ค่อยได้พบกับความสุขกันเพราะถูกความอยากนี้มันมาสร้างความทุกข์ให้แก่เราทาั้งๆที่เราไม่จําเป็นจะต้อง เป็นในพลในพันในหมื่นในแสนไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีแต่อย่างใดชีวิตของเราอยู่ได้ไม่ว่าจะยากมีดีจนอย่างไรเราอยู่กันได้ตราบใดที่เรามีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกายของเราเท่านั้นแหละมันก็พอแล้วถ้ามีที่อยู่อาศัยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่ มีอาหารไว้รัประทานมียาไว้รักษาโรคสแสดงว่าเราร่ำรวยแล้วเราเราควรจะพอแล้วมีมากไปกว่านี้หรืออยากจะมีมากไปกว่านี้กับจะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปโดยใช่เหตุพราะพุทธเจ้าถึงสอนให้พระภิกษุอยู่แบบคนที่ไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเลยเวลาบวชท่านบอกว่าให้สละหมด ในเรื่องลาบยศสรรเสริญสุขทางโลกอย่าเอามาอย่าเอามาแบกไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขแก่จิตใจให้อยู่แบบขอทานอยู่แบบกินไปวันวันหนึ่งตามมีตามเกิดไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องไปอยากมีอยากเป็นอะไรทั้งนั้นแล้วจะมีความสุขมาก คนเราถ้าพอใจกับศูนย์แล้วกับการไม่มีอะไรเลยเราคนนั้นจะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่าจะได้มามากเพียงไรเมื่อเสียเสียไปมากเพียงไรก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ดีใจได้มาล้านหนึ่งก็ไม่ดีใจเพราะพอใจกับการไม่มีแม้แต่บาทเดียวศูนย์ไปล้านหนึ่งก็ไม่เสียอกเสียใจ พ่อพอใจกับการการไม่มีแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าความจริงแล้วเวลาเรามาเราก็มามากับศูนย์เราไม่ได้เอาเงินทองติดตัวเรามาและเวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอาเงินทองติดตัวเราไปถ้าเรามาแบบศูนย์แล้วไปแบบศูนย์ได้เราจะมาและไปอย่างมีความสุขแต่ถ้าเรามาแบบศูนย์ไปแบบศูนย์ไม่ได้ เราจะมีแต่ความทุกข์เพราะจะต้องมีความต้องการอยู่เรื่อยๆเพราะแล้วถ้าเกิดสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็จะมีความเสียใจมีความทุกข์ใจและในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เจ้าต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปก็จะยิ่งทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งคน เ, เราที่กลัวตายไม่ได้กลัวเพราะ <c oughs> เพราะความตายหรอก พ่อจะต้องจากสิ่งต่างๆที่เรามีไปเท้งนั้นเองแต่คนที่ไม่มีอะไรนี่เขาไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เวลาเขาตายเขาไม่มีห่วงเขาไม่มีหวงเขาไม่มีอะไรจะต้องห่วงจะต้องหวงนั่นเองนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่หายห่วงใจที่หายจากความเสียเสียดายใจ ที่หายจากความเสียใจจะหายห่วงหายหายเสียใจหายเสียดายไ ด, ได้ก็ต้องไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ที่จะได้มาและไม่ยึดติดกับสิ่งที่จะเสียไปอะไรจะมาก็รู้ว่ามาอะไรจะไปก็รู้ว่าไปถ้าอยู่อย่างนี้ได้แล้ว จะไม่วุ่นวายกับใครกับเรื่องอะไรทั้งนั้นทุกวันนี้ที่พวกเรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจก็เพราะเรายังติดอยู่กับสิ่งต่างๆเวลาได้อะไรมาก็หวงก็หวงแล้วก็กังวลกลัวว่ามันจะจากเราไปเวลาไม่มีก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือมีแล้วก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก ก็ต้องมาวุ่นวายกับการห่วงกับการหวงกับการแสวงหาสิ่งต่างๆอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเลยไม่เคยมีความสุขเลยเพราะไม่มีความพอนั่นเองถ้ามีความพอแล้วรับรองได้ว่าจะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่ต้องไปเดือดรนไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ จะไม่ต้องมาหวงมาห่วงมากัวงวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นกับคนนี้นี่แหละคือการสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่เราก็คือการปราบความไม่พอที่เกิดจากความอยากนี้ให้มันหมดไปจากใจของเราเท่านั้นทำใจของเราให้พอเถิดแล้วจะมีมากมีน้อยจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้า ใจยังไม่พอยังทําให้ใจไม่พอไม่ได้ต่อให้มีหมืนล้านแสนล้านก็จะไม่มีความสุขต่อให้เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นนายกเป็นอะไรก็ตามก็จะต้องลินลนพยายามกลับไปเป็นนายกใหม่หรือเป็นอยู่ก็ต้องพยายามดินลนรักษาให้ได้อยู่ไปนานๆเพราะความอยาก เป็นนานๆ น, นี้เองจึงสร้างความทุกข์ทรมานใจให้ไม่รู้จักจบจากสิ้นและเงินทองที่มีอยู่ตำแหน่งที่ได้เป็นก็ไม่ได้มาช่วยดับความทุกข์ความกังวลใจต่างๆเลยเพราะมันเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ความกังวลใจให้แก่ผู้ที่มีนั่นเองสำหรับผู้ที่ไม่มี แล้วไม่มีความอยากเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่เดือดร้อนกับการมีหรือการไม่มีท่านไม่เดือดร้อนกับการเป็นหรือการตายใจของท่านอิ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องแสวงหาอะไรต่อให้เสียอะไรไปมากน้อยเพียงไรใจก็ยังอิ่มเหมือนเดิมใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขจะเจริญลาบยศสรรเสริญสุขก็ไม่ได้ดีอก ด, ดีใจจะเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมเสื่อมสรรเสริญเสื่อมสุขก็จะไม่วุ่นวายใจแต่อย่างใดนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงพวกเราควรที่จะปรับเป้าหมายของการ สวงหาความสุขให้พุ่งไปที่ความสุขที่แท้จริงเถิดอย่าหลงกับความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอย่าหลงกับยาขมเครือบน้ำตาลเวลาอมเข้าไปใหม่ๆ ม, มันก็หวานดีแต่ไม่นานพอน้ำตาลมันละลายหมดไปแล้วก็จะต้อง อมรดขมทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นแบบนั้นเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็หวานดีแต่พอไม่นานรสหวานนั้นก็เจือจางหายไปแล้วรสขมขื่นก็จะตามมาทันทีเช่นเวลาแต่งงานกันใหม่ๆหรือมีแฟนใหม่ๆก็จะมีแต่ความหวานชื่นมีความสุขแต่พออยู่กันไปไม่นาน ความหวานก็จะหายไปความเปรี้ยวความขมก็จะกลับมาแทนที่แล้วก็ต้องอยู่ไปแบบคืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะถ้าจะตัดจะเลิกกันก็กลัวจะเหงาจะว้าเหวอยู่ด้วยกันก็ต้องทุกทรมานใจกับพฤติกรรมของคู่ครองของเราที่มักจะไม่ทาอะไร ที่ถูก อ, อกถูกใจเราเสมอไปนี่คือความสุขทางโลกจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะได้อะไรมาได้วัตถุเท้าของเงินทองมาก็เช่นเดียวกันถ้าได้มาแล้วเอาไปใช้ถ้าใช้มากๆเดี๋ยวมันก็หมดพอหมดก็ลำบากก็ต้องหาใหม่อีกถ้าหาไม่พอใช้ก็ลำบากอีก ถ้าหามาได้แล้วไม่ใช้มันก็เสียดายหามาทำไมหามาแล้วไม่ใช้หรือหามาแล้วเอาไปทาบุญก็เสียดายเองไม่อยากจะทำบุญแต่หารู้ไมมว่าการเอาไปทำบุญนี้กับจะสร้างความสุขให้แก่ใจเพราะจะตัดความอยากได้จะทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอขึ้นมา ปัญหาของพวกเราก็เลยอยู่ที่ตรงที่ใจนี้แหละใจที่มีความอยากที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอถ้าเราไม่ปราบความอยากนี้แล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ว่าจะมีอายุมากมีอายุน้อยจะร่ำรวยหรื อ, รอจะยากจนความอยากนี้มันก็จะสร้างความทุกข์ความกวนกระวาย ความกระสับกระส่ายความว้าวุ่นขุ่นวัวให้แก่ใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราต้องมาปราบความอยากและวิธีปราบความอยากพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือให้เราบริจาคสิ่งของต่างๆเงินทองต่างๆ ที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีไว้เราเอาไปบริจาคและถ้าเราบริจากคู่ครองของเราได้ก็ยิ่งดีใหญ่บริจาคสามีบริจาคภ ร, รรยาให้ผู้อื่นเขาไปแล้วเราก็ไปออกบวชอย่างนี้เราก็จะมีความสุขเราก็จะตัดภาระตัดความกังวล กับเรื่องเข้าของเงินทองต่างๆกับเรื่องสามีเรื่องภรรยากับเรื่องบุตรเรื่องบุตรทีดายกให้เขาไปเหมือนกับพระเวชสันดรเ น, นี่ยที่ท่านทำนี้ท่านทำเพราะท่านเห็นคุณประโยชน์ของการบริจาคของการเสียสละเพราะทำให้ใจของท่านหมดภาระหมดห่วหมดกังวลเมื่อให้เขาไปแล้วเขามีความสุข เขาได้สามีที่รวยกับเราดีกับเราก็ยกให้เขาไปถ้าเขาได้พ่อได้แม่ที่รวยกับเราดีกับเราแล้วเขามีความสุขมากกว่าอยู่กับเราเราก็ยกให้เขาไปเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขมากกว่าอยู่กับเขาเรามีความทุกข์เพราะไม่สามารถเลี้ยงดูให้เขามีความสุขได้ดีเท่ากับคนอื่น นี่คือการบริจาคของพระเวชสัดนดรท่านบริจาคแบบนี้ท่านไม่ได้เห็นแก่ตัวท่านคิดถึงความสุขของภรรยาของบุตรของธิดาเพราะอยู่กับท่านจะไม่มีความสุขเพราะท่านไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองท่านไม่ได้ทามาหากินหาเงินหาทองเพราะท่านบำเพ็ญแต่การปฏิบัติธรรม จึงไม่สามารถหาเงินหาทองมาให้เขามีความสุขได้ดังนั้นถ้ามีเศรษฐีมาขอเอาไปเลี้ยงท่านก็ยินดีถึงแม้ว่าท่านจะรักจะหวงเหมือนคนอื่นๆแต่ท่านคิดถึงประโยชน์สุขของผู้ที่ท่านรักว่าเมื่อไปอยู่กับเขาแล้วเขามีความสุขมากกว่าอยู่กับเราเราจะไปหวงเขาไว้ทำไม ให้เขาไปเพื่อให้เพื่อเขาจะได้มีความสุขไม่ดีกว่าเอง mm hmm. ความคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นการคิดแบบเห็นแก่ตัวแต่เป็นความคิดที่เกิดจากความเมตตากรุณามีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขจริงๆไม่หวงเอาไว้ mm hmm. ไม่เหมือนกับคนบางคนที่หวงลูกหวงสามีหวงภรรยา ทั้งๆ ท, ที่อยู่กับเราเขามีแต่ความทุกข์พอเขาจะไปก็ไม่ยอมให้เขาไปมีแม่คนหนึ่งหวงไม่อยากให้ลูกไปบวชเพราะหาว่าเห็นแก่ตัวไม่รักแม่แต่ไม่เคยคิดถึงความสุขความทุกข์ของลูกเลยว่าเป็นอย่างไรว่าเขายังถูกติเลตปัญหาครอบงมจิตใจของเขาทำให้เขาต้องทุกข์ทรมานใจ เขาอยากจะไปบวชเพื่อไปปฏิบัติเพื่อไปกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็ไม่ยอมปล่อยให้เขาไปกลับไปเห็นว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาเขาไม่รักแม่ไม่รักพ่อความจริงถ้าคิดในมุมกลับไม่มีใครบ้างไม่รักพ่อไม่รักแม่ แต่เมื่อเขามีความจําเป็นที่จะต้องไปรักษาตัวเขาก็ต้องปล่อยให้เขาไปเช่นเวลาไม่สบายเขาต้องไปอยู่โรงพยาบาลทําไมปล่อยให้เขาไปได้แต่ทําไมเวลาเขาไม่สบายใจเขาจะไปรักษาทําไมไม่ปล่อยให้เขาไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างท่านก็มีความไม่สบายใจ แต่พ่อของท่านก็ไม่อยากให้ท่านไปรักษาใจของท่านแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทนอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องหนีไปเองหนีไปโดยไม่บอกใครแต่หลังจากที่ท่านได้รักษาใจของท่านให้หายได้โดยเด็ดขาดแล้วท่านก็กลับมาสอนให้พ่อของท่านได้รักษาใจ ให้หายจากความทุกข์ทั้งหลายได้สอนให้แม่ของท่านได้หายจากความทุกข์ได้สอนให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหายจากความทุกข์ได้การกระทําแบบนี้จะเป็นการเหตุแก่ตัวได้อย่างไรจะเป็นการไม่รักพ่อรักแม่ได้อย่างไรแต่เมื่อเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยทางด้านจิตใจ เราจะไปช่วยใครได้เราจะไปทำอะไรให้คนหืุนได้อย่างไรถ้าเราไม่รักษาใจของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเสียก่อนเมื่อหายแล้วทีนี้ก็สามารถช่วยคนได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหัรตสาวกทั้งหลายได้ทากันมาดัางนั้นถ้าเรามีลูกที่อยากจะออกบวชอยากจะไปปฏิบัติธรรม ก็ควรจะอนุโมทนาอย่าไปขัดขวางอย่าไปห้ามเขาควรจะสนับสนุนควรจะส่งเสริมเขาเพราะเขากำลังนาเนินไปในทางที่ถูกต้องไปในวิถีทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเดินมาเพราะหลังจากที่เขาได้รักษาใจของเขาให้หายแล้วเขาจะไม่คิดถึงไทยก่อนเลยเขาจะคิดถึงพ่อ คิดถึงแม่เขาก่อนทันทีไม่เหมือนกับลูกคนอื่นที่อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ไปมีครอบครัว ม, มีลูกไปมีภรรยาเขาจะไม่ค่อยคิดถึงพ่อกับแม่เท่าไหร่เขาจะจะคิดแต่ภรรยากับสามีคิดกับเรื่องลูกของเขาแต่อย่างเดียวเรื่องพ่อเรื่องแม่นี้เขาจะไม่ค่อยสนใจหรืออาจจะปล่อยปะล่เลย ไม่เลี้ยงดูเลี้ยงพ่อเลี้ยงดูพ่อแม่เลยก็ได้อย่างที่เราได้ยินอยู่เรื่อยๆข่าวที่ปรากฏอยู่เรื่อยๆที่พ่อแม่ถูกทอดทิ้งก็เพราะลูกไม่ดีนี่เองลูกที่ไม่ได้สนใจที่จะดูแลพ่อดูแลแม่มัวแต่ดูแลตัวเองดูแลสามีภรรยาบุตรที่ดาของตัวเองจนไม่ได้มีเวลามาดูแลพ่อดูแลแม่เลย แต่ผู้ที่ออกบวชผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงแม้เขาจะไม่ได้บรรลุถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็ตามเถิดอย่างน้อยเขาจะคอยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยู่เสมอและเมื่อเขาสามารถที่จะช่วยพ่อช่วยแม่ได้เขาจะไม่ปล่อยปาเะละเล ย, เ, ลยเพราะเขาไม่มีคนอื่นจะต้องคอยดูแลนั่นเองเขาไม่มีลูกไม่มีภรรยาไม่มีสามี ที่จะต้องคอยดูแลเขามีแต่ตัวเขาเท่านั้นซึ่งเขาก็พอดูแลได้และเมื่อพ่อแม่มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยตกทุกข์ได้ยากเขาจะรีบมาดูแลพ่อแม่เลยทันทีอย่างประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ออกบวชหลังจากที่ท่านได้บวชจนท่านมีความมั่นคงแล้วท่านก็มาดูแลพ่อแม่ท่าน พ่อแม่อยากจะบวชก็พามาบวชพ่อแม่ไม่มีบ้านอยู่ก็พามาอยู่วัดได้พระพุทธเจ้าไม่ห้ามพระพุทธเจ้าทรงยกย่องลูกที่ดูแลพ่อแม่ทรงอนุญาตให้แบ่งอาหารที่ได้จากบิณฑบาตเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ตามปกติอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตนี้เอาไปแจกใครก่อนไม่ได้ต้องเอามาแบ่งกับพระก่อนแล้วที่เหลือถึงค่อยเอาไป แจกให้คนอื่นได้แต่สำหรับพ่อแม่นี้ท่านยกเว้นท่านถือว่าเป็นเหมือนพระของลูกๆลูกๆควรที่จะเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ได้สอนไม่ให้รักพ่อรักแม่แต่อย่างใดดังนั้นพ่อแม่อย่าไปวิตกเวลาที่ลูกอยากจะออกบวช ขอให้ดีใจกับการออกบวชของลูกๆเธอเพราะเขานั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราได้ต่อไปแต่พวกที่มีสามีมีภรรยานี้อย่าไปหวังพึ่งเลยแล้วถ้าไม่อยากจะเสียใจในภายหลังถ้าจะไม่ต้องน้ำตาตกในก็อย่าไปหวังพึ่งลูกๆที่มีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าเพราะเขาจะคิดถึงลูกถึงเมีย ถึงสามีก่อนที่เขาจะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่เป็นความจริงเราก็รู้กันอยู่เราก็เห็นกันอยู่เพราะใจที่มีกิเลสมีตัณหามีความอยากนั้นมันจะไม่คิดถึงใครก่อนมันจะคิดถึงตัวมันก่อนอะไรที่มันต้องการให้ความสุขมันก็จะเอาสิ่งนั้นก่อนจะดูแลสิ่งนั้นก่อนถ้าถ้ามีความสุขกับสามีกับภรรยากับลูก ก็จะดูแลลูกดูแลสามีดูแลภรรยาก่อนจะไม่ดูแลพ่อดูแลแม่เพราะพ่ อ, พอแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับตัณหาความอยากนอกจากคนที่มีคุณธรรมเท่านั้นคนที่มีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นทกุณของพ่อของแม่ได้เท่านั้นแหละที่จะรักพ่อรักแม่ยิ่งกว่าบุคคลอื่นๆทั้งหลาย เพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วจะเกิดมาได้อย่างไรถ้าคิดเพียงเท่า น, นี้แล้วก็จะไม่ลืมบุญคุณของพ่อของแม่จะต้องยกพ่อยกแม่ไวเหนือเสียก้าวเสมอลูกเมียนั้นสามีนั้นต้องรองลงมาความสำคัญต้องอยู่ที่พ่อที่แม่ก่อนสามีภรรยาบุตรทธิดาจึงค่อยมีความสำคัญตามลำดับลงมานี่คือ เรื่องของบุญคุณของพ่อแม่เป็นอย่างนี้ลูกเต้ามันไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเลยแล้วเราทําไมเราถึงไปรักมันมากยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่มันมีแต่สร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อยๆแต่เรากับถูกความหลงถูกความอยากบดปิดบังไม่ให้เราเห็นโทษของการหลงรักลูกรักสามีรักภรรยา ทำให้เราไม่เห็นคุณของการรักพ่อรักแม่นี่แหละเรื่องของตัณหาเรื่องของความหลงมันเป็นอย่างนี้มันทำให้เราเห็นกลับตาเราปัดไปคนที่มีพระคุณเรากลับไม่เห็นบุญคุณคนที่ไม่มีบุญคุณเรากลับไปหลงไปรักเขาไ่อยากจะให้เขาได้ดีได้ดีอยากจะให้เขามีความสุขแต่คนที่มีบุญคุณกลับไม่ได้คิดถึงความสุขของเขาเลย เราจึงต้องหมั่นศึกษาหมั่นฟังเทศฟังธรรมแล้วนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปค่ายควรพินิษพิจารณาเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาใจด้วยการ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 จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ